มนุษย์มีอำนาจเหนือมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ได้มีอำนาจเหนื อ, นอนความเกิดแก่สดตายเมื่อข่าวพระ อ, อนุนโน้มจีวรใหม่สองผืนเข้าไปถวายแล้วก็ได้เหลือเห็นพระชวีวันของท่านหม่นหมองก็เอกใจและลำพึงเปลยขึ้นถามท่านว่าเพราะอะไรหนอพระชวีวันของพระธาคตจึงม่นหมองท่านก็เตือนด้วยความรู้ว่าเราไม่เคยบอกเธอเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นนิจชัง เราตั้ง้อางว่าพระชีววันท่านผุดผ่องันในการสามครั้งเท่านั้นผมจาไม่แม่นนะเหมือนการก่อนตับรู้รงอายุตังขาและบริณุภานถ้าไม่ผิดพลาดก็คงต่ำนี้นะแต่หลายครั้งที่มีคนเขาจะปิดต่อกรองท่านเข้าไปหาถามเพื่อให้คะแนนเพิ่มเติมในความเป็นอภิษมนุษย์ของท่านท่านปฏิเสธเช่นทำข้หนึ่งเลื่อมสท่านมากก็ไปถามให้คะแนนถามทมเชยว่า พระองค์เป็นสัพพัญยูคําว่าสัพพัญยูนี่สําคัญมากนะฮะภาษังกฤษมันเป็นคําว่าอมนิสัยพระผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งปวงเข้าหมายนิมกอสนะครับพระเจ้าเป็นอมนิสัยหรือพระเจ้าสิงสถิตอยู่ทุกแห่งรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงทุกเวลานาทีแต่ความคุณนี้ก็เลื่อมใสพระเจ้ามากก็ทูลถามว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูหรือเปล่าหรือที่เราเรียกสันเพชรนะครับสัพเดียงพระศีรษะเพชพรเรียกว่าศีรษะพันยู พระท่านปริเสนนะท่านบอกท่านไม่ได้เป็นสับพัญอยู่ตลอดเวลาสามก็ยังไม่เข้าใจยังถามว่าก็แล้วทําไมเมื่อทูลถามปัญหาทรงตอบได้ทันทีโดยเราก็รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วคําตอบท่านบอกท่านต้องโน้มใจไปสู่ปัญหาแต่ด้วยอํานาจความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ของภูมิปัญญาของท่านความแหลนโลดของปัญญาที่ว่องไวนั้นต้องโน้มใจก็ไปสู่ปัญหาแล้วคําตอบก็แตกออกตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเราก็เอาพีนิหารนะนะ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่ต้องเข้าใจว่ารากสานคนธรรมดานี่เองเหมือนเม็ดพืชธรรมดานี่เองที่จะงอกเป็นต้นโพและต้นสาไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์ดังนั้นจุดเริ่มต้นการภาวนาคือภาวะปกติครับคนธรรมดาสามัญเมื่อเวลาบวชกุลบุตรเข้าบวชเขาจะถามถึงภาวะปกตินี่ก่อ น, นเช่นคำวามนุษย์โสสศเนี่ยเธอเป็นเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกแอบมาจะขอบวชเขาไม่ให้บวชนะ เพราะด้วยสามันสำนึกเยี่ยงคนธรรมดารู้ผิดรู้ชอบแล้วซักถึงสัญญาประชาคมลาพ่อลาแม่แล้วยังมีหนี้สนนินหรือเปล่าเป็นการหนีอะไรมาหรือเปล่าซักซึ่งต้องตอบด้วยตัวเองด้วยสติสมปรีดตามธรรมดามอบอำนาจให้ไปบวชแทนไม่ได้ครับคือมอบไปคนอื่นมึงไปบวชแทนกูแล้วต่อม า, าตัวเองโกหัวหมมําไม่ได้แล้วการบวชนั้นต้องเปล่งวาจาด้วยตัวเองสามครั้ง คนอื่นพูดคลอเสียงไม่ได้หรือพูดนําไม่ได้ค้านเสียงเดียวไม่ได้แล้วข้อสำการสุดอุปชาไม่ได้บวชให้อุปชาเั็นผู้เพียงคู่คําประกันให้คำรับรองคนนี้ได้ตรวจสอบคุณลักษณะแล้วเหมาะสมแต่การบวชนั้นสงบวชให้ครับแต่สงบวชให้นี่คิดในแง่มุมกลับสงอาจจะให้สุด ก, ก็ได้ครับเมื่อคนนี้ทรยศตัวตรงการ แต่ตนนี้มันยุ่งกันใหญ่เลยครับมั น, มนอีกระบบหนึ่งพูดไปแล้วบรรยากาศทั่วไปขอพุทธศาสนาทุกวันนี้นะฮะเหมือนที่ผมพูดหลายครั้งที่ห้องนี้ว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาดูท่านคงเปิดกลับอินเดียไม่ทันเลย <c oughs> พูดเล่นครับไม่ไม่ไม่ ไ, มได้จริงจังคืออะไรมันเปลี่ยนไปจนหน้าใจหายอะไรมันแปลปรวนไปจนกระทั้งว่าทัาบันซึ่งน่าจะบริสุทธิ์ปุดพ่องที่สุดอย่าลืมนะครับว่าผ้าเหลืองหรือ ความเป็นพรนะเอยู่คู่ประเทศนี้มานับพันปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งประหลาดหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับศาสนาธรรมนั้นอยู่มากอย่างมากที่สุดไม่เกิน300รปีครับไม่ว่าในยุโรปหรือที่ไหนถึงยุคล่มจมแล้วเป็นยุคมืดยุกอะไรนะแต่ของพุทนธรามนี่แปลกมากเลยครับนับนับอาณา จ, จักรราชอาณาจักรศรีวิชัยด้วยเนพะันปีเศษครับที่วัฒศาสนาได้ประดิษฐ์ฐานลง ชงเวลาเนินนานนี้นะครับมันหมา ย, ยาว่าความเป็นพุทธแทรกซึมเข้าไปในในทุกหย่อมญ้าของผืนดินแผ่ น, นของประเทศสยามจนลมปราณของเราจนความรู้สึกนิคิดจนตนาการของเรานี้ผูกพันมากกับใครคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าทั้งๆเราไม่เคยรู้เคยเห็นแต่พอเอ่ยคําพระุทธเจ้านี่เราอาจจะน้ําตาไหลเราอาจรู้สึกมีที่พึ่งอะไรบางสิ่งในฐานะที่เราเป็นเด็กเรารู้สึกมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ คุ้มครองอย่างน้อยสุดท่านต้องเป็นคนดีมากอย่างนี้พูดอะไรเด็กๆท่านต้องสวยมากท่านต้องนิ่มนวลมากแต่ภาพอันนี้ครับอาจจะกลายเป็นจุดขาย ข, ายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมไทยสับอะไรก็ไม่รู้นะจุดขายคือสามารถที่รู้ว่านี้จุดอ่อนของมวลชนไทยเป็นอย่างนี้เอ่ยชื่อพระเจ้าแล้วน้ําตาไหลาชาวบ้านเห็นผ้าเหลืองนั่งรวมกันยี่สิบองค์ฉันข้าวเขาร้องไห้เลยเนี่ย คือเขาเห็นเหลืองๆอยู่คือศาสนายังอยู่พระศาสนายังไม่ล่มจมเพราะว่าเครื่องแบบนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมันใุพวกเวลานี้มากศึกเสือเมืองใต้นะกว่าพุทธศาสนาจะติดตั้งกันในบ้านเมืองนี้ครั้งอดีตนะเราต้องศึกษาเราจึงจะทราบเสีงนะครับพระสงฆ์กว่าจะไปสืบศาสนาได้ล้มตายกันเป็นเป็นช่วงๆเพียงเพื่อ น, นําข่าวประเสริฐนี้มาให้พี่น้องร่วมชาติได้รับรู้และมีส่วนแบ่งปัน แต่แน่นอนครับมันไม่ใช่รูปธรรมมันไม่ได้ขนมเคก้กมันเกิดมันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่เงินแต่คือข่าวสารผู้เจ้าอยู่ในฐานะที่ผู้ไปรู้ไปเห็นแล้วโพลธนาประกาศบอกว่านี้มีสิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งนั้นไม่ได้กลอยู่หัวใจมนุษย์คือกันของจิตใจของเรานัในเองเราพบนะครับในบางขณะในบางช่วงที่ว่าเราซึ่งเป็นปุตรชนคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เป็นนักบวช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 รอคออยู่ที่นั่นเราไม่สามารถเห็นตัวเองแลอัตตาของเราผู้หนักและมากไปด้วยความปรารถนาเข้าสู่ประตูนิพพานได้ครับพระพุทธเจ้าเองก็เป็นอย่างนั้นท่านจูงใจตัวเองมาพักนิ่งอยู่ที่ต้นประศรีมหาโพธิ์แล้วต่อสู้ครั้งสุดท้ายถูกยั่วยวนจาได้ไหมครัถูกยั่วยวนจกนกระทั่งเกือบจะล้มเลิกเช่นท่านนึกถึงพ่อถึงแม่มา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 หรือว่าเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นรุ่นกันครับคงคงจะฟังขึ้นตอนจะไปเข้าฌานไม่ต้องพูดครับมีคนรับรองมีคนเข้าใจในการกระทำนั้นมีบาดฐานของวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่ท่านไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวไปทรมาณตนอยู่อย่างรุนแรงสาหัสก็ยังมีภาวะอุ่นใจเพราะคนยังกราบไ่ามีวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่พอหันมาฉันข้าวเท่านั้นของ อาหารเพื่อใมีพื้นกำลังเท่านั้นนะครับหมดเลยห้าคนสุดท้ายก็ไม่เล่นด้วยหนึ่งในห้าเป็นผู้ประชากรเป็นคติเดียวด้วยซ้ำนี่ก็ไม่เล่นด้วยคือกนธัญญะเราลองเดาก็ได้นะครับถึงภาวะจิตใจของท่านโดดเดียวเดียวดายถึงที่สุดไม่มีวัฒธรรมไหนรองรับอยู่เลยแต่ว่าพระองค์ท่านเข้าประทศไทยการกระทําของท่านดีตรงนี้สําคัญครับ ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากที่นํำรงฐานเออรง ท, าารงทา่านดันด้นมาจนข้ามแม่น้ําในลันชลาแล้วเห็นนิมิตหมายขอการลอยถาดการทวนกระแสความโดดเดี่ยวนี้นะค่อยๆแปลสภาพไปเป็นความรู้แจ้งแต่แน่นอนนะครับถ้าโดดเดี่ยวที่ไร้หลักไร้ไฐานปัญญาอาจจะวิกลจริตและบ้าได้คุณผูเรานี่เป็นสัตว์สังคมนะฮะถ้าสมกับขา่าวใดข้าวหนึ่งเราเห็นพึ่งตัวใดตัวหนึ่งคลานร่วมเทียมอยู่ เราควรจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนตตายแล้วครับเพราะตัวเขาจริงๆคือคือทั้งฝูงนั่นคื อ, อคบอดี้เองเขาส่วนตัวเล็กๆที่คลันที่เยี่ยมนั้นเป็นเพียงอวัยวะครับโน้เราถูกจับตัวแยกไปอยู่โดดเดี่ยวสักช่วงหนึ่งเนี่ยสมองอาจจะสู้แล้ววิกลวิการดังวนั้นพวกผู้นำซึ่เดียวโดดตัวเองขึ้นไปเนี่ยมักจะพิกลวิการได้เยอนนเะออกว่านี้ครับพาคสิทิ์จีนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ไม่เพียงหนาวครับบ้าง่ายครับ น่าแปลกประหลาดมากครับที่ประชากรมากขึ้นทุกวันนี้ว่างว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าหกพันล้านประชากรโลกนะแต่โลกร้ายที่คุกคามผู้คนอยู่คือความเหงาอะไรกันคนนึงหกพันล้านคุณไม่มีเพื่อนสักคนเดียวเลยเลยเหรอคำถามนี้ประหลาดที่สุดดีนะแต่คือเรื่องจริงครับบางทีเที่ยงวันกลางวันในแสงเดินโดดเดนะี่ยนันนไม่มีเพื่อนสักคนเดียวไม่มีใครเข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจใครด้วยนะ สังคมกาลังก้าวขึ้นสู่ยุคของความรุนแรงภายในนะดังนั้นผลสะท้อนคือความเจ็บป่วยในอารมณ์ครับความเหงาเป็นสิ่งประหลาดมากเรามักกินอาหารคนที่อยู่ในเทะเลทรายขาดการติดต่อที่จริงไม่ครับผมเคยอยู่ถ้ำสองปีไม่เห็นรู้สึกเหงาอะไรสนุกคกอัแต่ความเหงาจริงๆที่อันตรายมากคืออยู่ในเมืองเนี่ยครับท่ามกลางความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ว่าผู้คนไม่รู้เรื่องครับคนเดียวก็ไม่มี ทันไปพูก้กับลูกไม่รู้เรื่องมันไปทางหนึ่งอะไรที่เราสอนดูดาวว่ามันเอาย้อนหัวหออกมาหาเราทั้งสิ้นโอ้นี่เป็นอาการที่สังคมเมืองกาลังเข้าตาจนแล้วครับสองคืนก่อนผมค่อนข้างวนนอนด้วยเหตุเศร้าสลดของคุณทันโทโรนิกลูกชายสุดสวาสดของเพื่อนที่สนิทสนองอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ยังงงผมยั ง, ง, ง, งุนงต่อเหตุการณ์อยู่ แต่พิเคราะห์ได้ด้านหนึ่งว่าสภาพสังคมซึ่งคนเริ่มไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่ใจคนอื่นเนี่ยนะไม่เป็นของกันและกันเองเนี่ยนะย่างเท้าเข้าสู่อันตรายเชื้อโรคที่โรคร้ายที่ไม่มีเชื้อจลุลชีวันโรคติต่อนนั้นมันคุกคามด้านหนึ่งนะมีไวรัสมีแบคทีเรียแต่นี้ไม่ดังนั้นว่ากันว่าจิตแพทย์อันนี้ผมไม่รับรองนะแต่ว่ามีเงื่อนเงื่อนปมที่ทาให้คิดต่อไปได้ ว่ากันว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโลกจิตผมไม่ไม่ยืนการนะแต่วก็ฟังนักจิยาเขาพูดแต่เห็นเงื่อนไขว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วจิตแพทย์ก็คือคนธรรมดาที่ยังไม่ฝึกสติสติยังไม่ตั้งบนฐานของกายเวทนาจิตและธรรมนะคือคนธรรมดาที่จิตใจวันไหวไปตามอารมณ์ที่แวรล้อมไปเจอคนป่วยซึ่งก็มีพลังอนาจ เหมือนเราเจอคนบ้า น, นะครับเรากำลังเจอเอาอะไรมึงสิ่งซึ่งไร้ระเบียบแล้มีแรงมีกําลังหรือเหมือนกับว่าวงดนตรีสองวงนยะวงหนึ่งเล่นแข็งว่าวงหนึ่งเล่นอ่อนเล่นคู่พักเดียวเดี๋ยวเข้าไปตามวงนนท์นะจังหวะลีลานะดังนั้นจิตแพทย์ที่ยังไม่ฝึกจิตไม่มีคำว่าไม่มีความสันโดดไม่มีความรู้ตัวที่เข้มข้นพอแล้วเราเป็นไปได้ครับที่จะพลอยจะป่วยไปเพราะว่า คบหาคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นผมไม่รับรองคําพูดที่ตัวเองพูดนะแต่ว่าให้ข้อสังเกตซึ่งจิตแพทย์เองบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนมากนี่น่ากลัวมากครับผมประมวลสรุปนะครับเวลาก็ล่วงเลยมาอย่างนีนะ้เราควรจะบูรณาการปัญญาในพุทธศาสนาซึ่งเราเติบโตขึ้นมานะครับในฐานะเป็นสิ่งเป็นนิ่งขวัญ เมืองมิ่งขวันของประชาชนคนไทยชาวพุทธมานานเราไม่ควรหลับหูหลับตาตัวเองโดยลังกีดภูมิปัญญาจาแหล่งอื่นเพราะภูมิปัญญาจาแหล่งอื่นมันสะท้อนจากชีวิตเช่นเดียวกันแต่อาจจะดูในรูปของรหัสสัญลักษณ์แรงการซึ่งถ้าแม้นว่าเราศึกษาบ้างแล้วนี่แหละเราจะเริ่มเื่อมสายความเป็นมนุษย์เราเลื่อมสายที่มาของภูมิปัญญา ไม่จะเป็นต้องสังกัดเป็นพุทธหรือเป็นคริสหรือเป็นอะไรเลยครับมันเป็นเช่นนั้นทําให้ศรัทธาที่เรามีในทางของพุทธตั้งมั่นแนบแน่นกันด้วยแทนที่จะโยกไหวไปตามสิ่งแวดล้องเพราะว่าไม่ศึกษานั่นแหละจึงโยกไหวเช่นเดียวคนบ้านป่าคนเถื่อนที่ที่เราเรียกคนเถื่อนนะเห็นรถยนต์ครั้งแรกตกใจแล้วกลัวพอมีใครสอนให้ขับห้ามเลยทีนี้ทํามห้ามบึ่งใหญ่เลยเพราะว่า คือความกลัวเองน่าไม่ให้ทำผิดอยู่ทุกสถานไปเราไม่ควรกลัวภูมิบัญญาของนอกพุทธศาสนาโดยเหตุ น, นี้พระเจ้าจึงแนะว่าให้ศึกษาทั้งสองด้านป ร, ประทัศประทิฐิสกทิทิฐิสมอกเธอท่านสอนพระเนะีเธอพึงศึกษาทิฐิของผู้อื่นคือทัศนะของผู้อื่นและศึกษาสกติทิฐิที่เรามีอยู่และอย่าด่วนรับอย่าบ่วนปฏิเสธ ไม่รับไม่เบเยเสดแต่เมื่อต้องแสดงภูมิให้แสดงภูมิวัญญาออกไปไม่ค้านว่าเขาผิดเมื่อทำอย่างนี้นะครับไอ้รากฐานที่มีอยู่แล้วเติบใหญ่ขึ้นและเป็นประโยชน์ด้านมนุษยธรรมเป็นอย่างมากที่เราไม่เริ่มต้นในการแบ่งแยกคุณไม่คิดคุณอย่พูดผมเลยพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์ที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ทรงความเป็นพุทธไว้ได้ตลอดช่วงยาวนานเป็นพันปีเนะีคือมุ่งอยู่ร่วมกับสัตว์สัตว์นิยอื่นด้วยสันติ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 เพื่ออำนวยให้เกิดคุปณปัญญาชั้นสูงไม่ใช่มองเพื่อแสวงหากิเลสเพิ่มเติมแล้วไม่เอาปัญญาไม่ใช้ปัญญานะ<ม>เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นหลายเรื่องติดต่อกันช่วงสั ป, ปดาห์หรือเดือนที่แล้วทาไมหลายคนอ่ะ จ, จะคิดว่าทํำไมพวกคนจึงไม่มีปัญญานะในเรื่องหลายๆเรื่องหลา ย, ลา ย, ลายประเด็นผมไม่เจาะจงไส่สุรเรียนนั่นหมายถึงว่าคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยก็ว่าปัญญามีอยู่ทําไมไม่ใช้ แต่ว่าหลายคนคิดว่าไอคนนี้โง่ไม่มีปัญญาทีจริงทุกคนมีปัญญาครับจะใช้หรือไม่ใช้นเท่านั้นเองบางทีคนที่เรารักมากเชื่อถือมากเราไม่ใช้ปัญญาเลยครับเราใช้ความเชื่อรูปเดียวก็อันตรายก็เกิดขึ้นเรามีสิทธิ์ใช้ปัญญาวันหนึ่งพระเจ้าท่านทรงตรัสสอนเรื่องคุณของอินทรีย์ห้านะฮะสติวิริาะสีสมาธิปัญญาว่ามีคุณอมเบเชิดเมืม่อได้สับส่นแล้วบุคคลจะ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 ใช้ได้ถูกมีสาระแล้วมีคำรับรองจากพระผู้รู้นะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับว่าชาวพุทธต้องเดินสายปัญญามีความเชื่อมั่นทางปัญญารื่นรมเมื่อได้ยินเรื่องราวภูมิปัญญาชื่นชอบมีฉันทะมีวิริยะในเรื่องภูมิปัญญาการดูแคลนขุมปัญญานี้ก็คือดูถูกแก่นใจของตัวเองนี่เองผมคิดว่ายุติเท่านี้นะครับนี เวลาหรือเล็กน้อยครับดึงถามความคิดเห็ของท่านอรย์คือพระสมเด็จพระเจ้าหรือพระสัเจวิเาต์โดยเฉพาะรมเด็จพระเจ้า เ, จเป็นไหมว่าต้องต้ององุปถัมภ์ที่ชมพูทวีดความรู้นี้นะครับแหล่งที่มาก็คืออัตถกถานะฮะเป็นพระคำเภียร์ภาษาซึ่งเป็นการสร้างคติให้เราหเห็นความสําคัญของชมพูทวีด ชั้นโมทวีเหมายนึงไม่ใช่หมายในึงประเทศอินเดียในปัจจุบันนะครัมาำทวีปหรือทวีปหรือทีปานี่นะครับเขานิยามว่าแค่มีน้ำล้อมรอบสามด้านก็เป็นทวีปแล้วนะแล้วก็ทั้งอดีตคำว่าชมบุทวีปหมายถึงโลกครับตรงนี้ที่มันยุ่งงันใหญ่เลยเพราะว่านี่เป็นค่อยคำเป็นนิยามมาในรูปของลิเทเลเตอร์วรรณกรรม ที่ความรู้เก่าเราบอกว่าเหนือชมพูทวีปมอีอุตรากุรุทวีปทุ่งกุรุเป็นทุ่งราบบางคนบอกเป็นรัสเซียไปโน่นครับคือเราพยายามดึงเรื่องที่โครงสร้างมันเป็นเรื่องจินตนาการ <S <S 2> <S 2> เพื่อให้สำเร็จประโยชน์บางอย่างเหมือนคำว่าสวรรค์สาบันสวรรค์นรกนี่นะถ้าใครยังเชื่อจนตราถ้าทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงว่านรกอยู่ใต้ดินยุ่งใหญ่เลยผมว่า เดี๋ยวนี้เขาพิสูจ์กันจนทะลุไปอีกด้านนึงได้แล้วว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นหรอกครับสวรรค์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาสร้างมณฑลจักรวาลขึ้นบางทีเรียวโมโนนิเวศคือไม่รู้จะแปลนิเวศแห่งโมโนจัจกรวาลของความรู้แจ้งทางใจนั้นไม่จำเป็นต้องตรงในจักรวาลที่ที่ทางฟิสิกนักฟิสิ์เขารู้นะฮะแต่ว่าเล็งเาสู่ประโยชน์ แล้วบางทีความรู้เก่าก่อนหน้าพุทธกาลเช่นการให้คํานิยามว่ามีจัตุโรครบาลคุ้มครองพิทัก์รักษาอยู่ทิศนี้เท้าทิศราชเท้าวิรุณจําบังเท้าวิรุณหท้าวิรุณปักเพื่อสําเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนธรรมนะไม่ใช่เพื่อความรู้เพื่อความรู้อันนั้นแต่เพื่อสมมติฐาน น, นนั้นๆนิยามมันนั้นนําสะท้อนเข้ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสําเร็จประโยชน์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 สิ่งที่ที่หนักแน่นและดีขึ้นนะที่ว่าพระเจ้าทุกองเกิดชุมทวีปนั้นผมก็เคยอ่านผ่านนะครับแต่ผมผมผ่านเลยผ่านเลยว่าผ่านเลยไปสู่ความหมายของคําวัชุมพรทวีคือโลกพระพุทธเจ้าทุกองต้องลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ครับชมุมพทวีปคือโลกมนุษย์เพราะถ้าท่านตรัสรู้ในดุสิตโลกดุสิตนะฮะโลกที่สงบยิ่งนะครับ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 ต้องจุดตีมัเป็นมนุษย์ก่อนแต่ว่าเทวดาส่วนใหญ่ต้องลงนรกก่อนแล้วจึงขึ้นมาสู่โลกมนุษย์โลกมนุษย์วิสัยแห่งมนุษย์นี่เป็นวิสัยที่กลางๆครับซึ่งอาจจะเข้าใจซึ้งในอริยสัจสีได้เทวโลกโลกนั้นแสนสุขไม่สามารถเข้าใจอริยสัจสี่ได้เพราะทุกอย่างมันถูกกลบไปด้วยความสุขสํารานพือง่ายในสังคมธรรมดานี้เราก็เห็นนะฮะคนบางมีที่สุขนั้นพวกนี้ไม่รู้จักทุกคือไม่มีเวลาที่ให้ทุกมันสุขสําราญตลอดเวลา รู้ธรรมะยากครับส่วนสัตว์นรกนั้นรู้แต่ทุกข์ต่อเนื่องจนกระทั่งยากที่เข้าใจที่สุดทุกข์ไม่ค่อยมีประสบการณ์โดยธรรมชาติที่จะเห็นที่สุดทุกข์ในตัวมันเองเนี่ยนะครับทีนี้โลกมนุษย์เป็นโลกกลางๆครับมนุษย์เซโลกงนะและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันพอเพียงที่จะเข้าใจอริยสัจทุกเหตุของมันแล้วก็ที่สุดทางให้ถึงที่สุดซึ่งอยู่ในตัวเองพระเจ้าบอกว่าท่านบัญญัติเรื่องอริยสัจสีนี้ให้เป็นยานเดียวครับ แต่นักวิชาการอาจจะปรับแปลงซึ่งท่านห้ามนะทรงจะท้ามไม่ให้สลับหัวข้อกันเพราะอาริยสัจสไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นตัวประสบการณ์ใน ก, การภาวนาคือต้องรู้จักทุกก่อนและทุกท่านกําหนดกิจว่าไม่ต้องทําอะไรกับทุกไม่ต้องมุ่งกระจัดความทุกขรู้เฉยๆเท่านั้นเองให้รู้จักเท่านั้นเองนะฮะรู้จักทีนี้ถ้าสมมุติในแง่ของระบบคิดทางวิชาการเหตุต้องมาก่อนผล เหตุแต่งทุกข์น่าจะมาก่อนแล้วก็ทุกข์แล้วก็มรรคน่าจะมาก่อนนิโรธโดยวิธีคิดเชิงเหตุเหตุเป็นสูตรผลพู้เจ้าปรามไว้เลยนะท่านอย่างรู้ว่าต้องมีนักเลงดีเข้าใจผิดแน่ๆ น, นะเข้าใจมันในแง่วิชาการท่านปลามว่าห้ามสลับหัวข้อผมจําที่มาไม่ได้แต่ยังจําได้ว่ามีที่มีท่านท่านกล่าวจัดการเจริญภาวนานะครับธรรมะทั้งหมดเพียงเพื่อ น, นําเราก็สู่ การรเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยจิตใจซึ่งสัตว์ซื่อครับจิตใจสัตว์ซื่อได้แต่เมื่อสติเข้าไปมีบทบาทความสัตว์ซื่อนั้นก็จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกข์แล้วประจับแจ้งทุกข์แล้วประจับที่สุดทุกข์ด้วยโตของมันเองด้วยด้วยธรรมชาติของมันเองทางเดินนี้ไม่ใช่ทางอัติวิเชียนครับไม่ใช่ทางที่เราสร้างนั่นเองได้เพราะนั้นเป็นเหตุให้พระเจ้าท่านยืนยื น, ย, นยืนยันเลครับไม่ว่าในอนาคตกด็ดีในอดีตก็ที พระพุทธเจ้าทุกรงตัดระุอริยสัจนะจุูทวีปน่าจะเชื่อมโยงความสลักสำคัญของอริยสัจร์่แต่มีอีกแห่งครับที่อยักแหล่งจากพิเบพผู้เจ้าถือกำเนิดในขุมนรกได้ทุกขุมฟังดูก็ลุ่มลึกจิเหมือกนกันครับในโลกสัตว์เดรัจฉานโลกของเปรตวิสัยนะฮะลงสัน์นรกมีผู้เจ้าปรากฏสกายขึ้นเพื่อปลดสัตว์ ฟังดูก็ลุ่มลึกครับแต่ว่าต้องไปไปศึกษาให้เป็นระบบจึงจะเข้าใจความได้จริงอันนี้ไม่ใช่วัตถุที่ตั้งความเชื่อครับเราจะเก็บมาเชื่อๆชื่ไม่ได้มีมีอะไรไหมครับนะคือเวลาได้ยินคำสอนเกี่ยวกับการภาวนามักจะได้ยินว่าให้ให้ฝึกการมีสติรู้เฉยๆโดยไม่ต้องคิดใช่ไหมัไม่ไม่ไม่ทราบตรงนี้ถูกหรือเปล่าค มีคนคิดอย่างนี้มากแต่ผมคิดว่าผิดครับกบคือคื อ, คอประเด็นที่ผมอยากจะถามอาจารย์คือคำว่าปัญญาที่ที่ที่เราควรจะใช้เนี่ยหมายถึงว่าสมมุติเวลาเราเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมาเราให้เรารู้เท่าทันความฉุนเฉียวนั้นแล้วก็วางเอ่อไม่ไม่ไปสนใจมันอีกหรือหรือว่าหมายถึงว่าให้เราเอ่อเก็บมาพิจรารณาว่าความฉุนเฉียวเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไง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 ตามระดับของสติปัญญานะฮะก็โยงไปถึงประสบการณ์ผมบ้างนะครับมันั้า่งคดีเนี่ยผมฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ท่านอาจารย์สวยเด <c oughs> ี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นคนเดีย <c oughs> ท่านสอนซึ่งจริงท่านสอนดีมากนะผมไม่ไม่ต้องการจะระบุชื่อนะแต่ผมเองฟังพลาดจับพลาดไปท่านสอนอย่างนี้ครับท่านบอกว่าการเจริญปัสนาก็คือการรู้ตัวรู้ ร, รู้กำหนดรู้นะฮะแล้วให้พิจารณา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 ไม่ต้องยุ่งกับราคาเล ย, ยเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็อย่าไปสนใจมันยิ่งดีสุดแต่ต้องสนใจอีกตัวหนึ่งคือสภาวะก่อนหน้าที่ราคาจะเกิดให้คุณยิ่งกับสภาพที่ไม่มีราคาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโมหะนะฮะคือธรรมชาติแท้งเรานี่มีอยู่จิตประภัสสรนี่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับทุนอันเนี้ยครับเป็นสิ่งสําคัญมากเลยแต่เราไม่คุณครับเราเหมือนกับว่าเวลาเราสบายอารมณ์จิตใจอย่งนั้นเราก็ลืมตัว